ทสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสังสีสนทนาปี2557นะคะเราก็มาพบกับท่านอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m 106นะคะในเรื่องของทางโลกความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในปีใหม่ก็คงจะมีเป็นปกติธรรมดานะค ะ, ะในเรื่องของทางด้านการสื่อสารมวลชนเขาก็มีการเริ่มต้นที่จะประมูล เป็นเจ้าของคลื่นความถี่ต่างๆเฝ้าดูกันอยู่ส่วนเรื่องอื่นๆก็มีเปลี่ยนแปลงกันไปตามเหตุตามปัจจัยรายการของเราเราก็ดําเนินรายการแต่แน่ๆนี่จะเป็นข้อมูลธรรมะที่เป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุท้ทวจนะทั้งนั้นนะคะจากพระอาจารย์ไพล์บุญอภิปุนโนวัดปาดอนหายโศกอุดรธานีซึ่งขณะนี้ท่านก็พร้อมที่จะมาให้ข้อธรรมกับเราแล้วกราบนำพสธ ก, การกันทั้นค่ะเทียนพาน ค่ะวันนี้เราพูดตอนต้นรายการบ้างเกี่ยวกับเรื่องของไปอินเดียเพราะเดี๋ยวบางคนก็บอกว่ามีเวลาฟังแค่ห้านาทีเลยพลาดข้อมูลที่ ท, ท่านอาจารย์และวัดป่าดอนหายโศกจะพาญาติโยมไปปฏิบัติธรรมกันที่อินเดียระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเอ็ดมีนาคมค่ะเชิญพาน อ, อินเดียเนี่ยเป็นเป็นเป็นสถานที่ที่ สมัยก่อนเนี่ยในความเห็นอาตมานะคือจะเป็นที่สุดท้ายที่เราเราจะคิดว่าจะไปอ่ <c oughs> <c oughs> คะ <c oughs> ค, อคือเราก็คงทราบว่าประเทศเขาก็ก็ส่วนที่ดีก็มีส่วนที่ไม่ดีก็มีใช่ไหม <c oughs> แ, แต่ทีนี้ว่าในบริเวณที่พระุทาของเราตรัสรู้เนี่ย <c oughs> ก็แน่นอนเป็นบ้านนอกมากๆเลยเนียบ้านนอกกว่ากว่าบ้านนอกกว่าอุดรบ้านนอกกว่าบ้านนอกของประเทศไทยอีกนะ <c oughs> แต่ทีนี้หลังจากที่อาตมาได้เคยไปมาแล้วในในในตอนที่เป็นพระนี่แหละ พึ่งได้เคยไปสังเวชนียสถานทีตอนที่รู้สึกจะปัญษา2องภาษา3นี่แหละนะพบว่าสิ่งที่ที่เราได้อ่านศึกษาในในพระไตรปิฎกเนี่ยในคำภีต่างๆเนี่ยมันมีหลักฐานตามประวัติศาสตร์ที่มันเห็นอยู่ได้จริงนะคือความศรัทธาเรามีอยู่แล้วละ่ะในคำสอนของพรุทธเจ้าใช่ไหมที น, นี้พอได้เห็นไซส์จริงๆ เห็นโลเคชันจริงๆเห็นที่จริงๆผู้เช่าตรัสสรุตรงนี้เห็นตรงนี้ที่ท่านตราสกับท่านพระอ น, นุ์อยู่ตรงนี้ผู้เช่าปริญญาผ่านตรงนี้แหมมันได้ทั้งเห็นได้ทั้งได้ยินศึกษาไอ้สิ่งที่เราเรียนมามันพุ่งเข้าหากันทําให้ผลที่เกิดจากการ ท, ที่ได้ไปนะอันนี้ท่านหลวงพ่อก็ได้เคยบอกให้ฟังด้วยว่าสมาธิดีขึ้ น, น, นหนึ่งสมาธิดีขึ้นเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเราก็มาพิจารณาตัวเองก็เพราะว่า เจอผัสสะเนี่ยคือคนที่จะเข้าสู่สมาสมาธิได้เนี่ยนะปริญญาได้พูดถึงเหตุอยู่5ประการนะคือ 1. นะมีความอดทนต่อตา2อดทนต่อหูจมูกลิ้นกายและกาย5อย่างนี้อดทนต่อ5อย่างนี้ได้เนี่ยคุณจะเข้าสมาธิได้ดีนะจะเข้าสมาธิได้เร็วจะทำให้สมาธิดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราไปถึงที่ตรงนั้นเนี่ยคือแน่นอนเราต้องเดินทางตลอดนะซึ่งจะมีผัสสะเกิดขึ้นตลอด แล้วเรา <Okay. S 1> ลาเราไปาเนี่ยเรามีศรัทธาไปใช่ไหมเราอยากไปดู <Okay. S 1> ตรงนั้นอยากจะไปดูตรงนี้ทําให้เราต้องอดทนนะ ต, ตรงนี้ <Okay. S 1> แหละจึงเป็นอันนี้สงเต็มๆ เ, เลยว่าถ้าเราอดทนต่อการสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นปัสสาวะตรงนั้นเฮ้ยสมาธิเราดีขึ้นแฮะแล้วเราก็ระวังจิตของเราด้วยวเราไปสถานที่แบบนั้นอีกอันหนึ่ ง, งในข้อที่สมที่คิดว่าถ้าใคร ย, ยังไม่เคยไปอาจจะควรจะต้องได้ไปเนี่ยก็คือว่า อย่างพระสูตรที่เราฟังเนี่ยพระสูตรที่เราฟังอย่างเช่นพระเจ้าอธิบายถึงมาถึงริมแม่น้ําเนรัญชาลานะีที่เป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะในะคราวเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆอันนี้ก็จะไปดูโลเคชั่นเป็นยังไงหรือว่าอธิบายถึงริมฝั่งแม่น้ําที่มีท่าน้ำํำมีน้ำจืดสนิทมีท่าน้ําราบเรียบอันเป็นอันดีน่าเพลินใจมีบ้านที่ตั้งอยู่โดยรอบเป็นที่สมควรที่จะตั้งไว้ซึ่งความเพียรเนี่ยแม้่าเราได้เห็นภาพว่า มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราฟังพระสูตนี้มันซึ้งมากกว่าความลึกซึ้งมันมากขึ้นว่าโลเคชันจริงๆภูมิทัตมันเป็นอย่างนี้นที่พระชาอธิบายไว้เป็นอย่างนี้แม่บทเป็นชนะงดงามมากยิ่งขึ้นเะรอย่างนี้น <Okay. S 1> แล้วก็แน่นอนว่าแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยมันก็ต้องมีการเดินทางมีความลําบากในเรื่องของกิจกรรมต่า ง, างๆเช่นน้องน้ำบ้างอะไรบ้างตรงนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่า มันมันก็มีนะเราก็ <คะ S 1> การที่เราเป็นผู้อยู่ง่ายเลี้ยงง่ายกินง่ายนี่ต้องมีแ น, น่นอะนถ้าเราเป็น <คะ S 1> อยู่ง่ายเลี้ยงง่ายกินง่ายอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราทำอานาปานสติได้ดียิ่งขึ้นด้วยน<ค>ะครูชาเคยตรัสถึงเหตุ6อย่างนะที่จะทำให้ผู้ที่ทำอานาปานสติเนี่ยจะบรรลุซึ่งทำอันไม่กลับกําเริบได้ต่อการไม่นานหนึ่งในนั้น ค, <ะ S 1> คือการ <คะ S 1> เป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่าย อันนี้ก็ช่วยด้วยได้เหมือนกันค่ะก็เลยอคิดว่าเล่าให้ฟังเพื่อจะให้รู้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายที่ตั้งใจไปปฏิบัติธรรมอที่สังเวชนียสถานกันอย่างไรเพราะว่าครั้งนี้ท่านจันทร์เคยบูรณบอกว่าได้เตรียมกระสุนนะคะที่จะไปสวดกันให้เหมาะสมกับสถานที่ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะเพราะเอาแค่ อันนี้ดีฉันขออนุญาตเล่าประสบการณ์ส่วนตัวบ้านหน่ได้ะคก็คือเคยไปเองนะค ะ, ะหลายครั้งเหมือนกันก็จะเป็นบรรยากาศของตั้งแต่ไปเนี่ยบางคนก็จะวันวันไว้ไว้กลัวอินเดียกิติศัพท์ทำให้กลัวต้องเตรียมโนโ่นเตรียมหนีขออภัยนะคะเข้าห้องน้ำไม่สดะดวกแล้วก็อันนี้เป็นเป็นข้อใหญ่แล้วก็กลัวจะผิดอาหารแล้วไม่สบาย กลัวที่ลับที่นอนจะไม่สะอาดคนที่กลัวนี่มีประเภทหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าอืยังไงก็อยากไปเห็นสังเวชนียสถานว่าเป็นอย่างไรอคนทั้งสองกลุ่มนี้เมื่อไปถึงแล้วเป็นอย่างไรเป็นเหมือนกันหมดเลยคะ่ะท่านคะคือเท่าที่ดิฉันได้พบว่าคนที่คิดว่าจะไม่มาเนี่ยพอไปเห็นสถานที่จริงแม้แต่ตัวของดิฉันเองครั้งแรกนะคะ เห็นสถานที่จริงแล้วเรารู้สึกเราศรัทธาพระพุทธเจ้ามากขึ้น hmm. เรารู้สึกว่าอ๋อพระพุทธเจ้าได้มีอยู่จริงหรอ hmm. เมื่อก่อนเนี่ยนะคะยอมรับเลยค่ะว่าอ่านพุทธประวัติอย่างไรฟังเขาเล่ายัางไงก็ยังสองจิตสองใจแต่พอไปถึงที่นั่นบอกไม่ถูกนะคะอ่าปัจจัยแวดล้อมทั้งหลายสิ่งที่เราได้เห็นกับตา hmm. ประกอบกับความรู้เดิมๆของเราเนี่ยแล้วเราศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากในคําสอนของท่านมากเลยนะคะ hmm. มันเกิดอารมณ์สะเทือนใจบางอย่างที่ทําให้เราดิฉันก็เหลายๆคนเป็นงั้นอ่านจากราชวัณดิป บ, บางท่านนะคะบอกเห็นปุ๊บเนี่ยน้ําตาไหลร้องไห้โฮโฮเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองร้องไห้ทาไมแต่ตื้นตันที่ว่าได้ไปเห็นพระพุทธองค์แต่สุดท้ายประโยชน์มันไม่ได้อยู่ตรงนี้ที่เราไปร้องไห้โ ฮ, โฮโฮนะคะท่านะการสุดท้ายดิฉคิดว่าทำเจริญอย่างที่ท่านว่านะจริงๆเพราะเราจะตั้งใจกันมากนะี่ยทุกคนเขาไม่สนใจกันนะคะ ค น, นนี่หนานแน่นไปหมดเลยต่างคนก็ตาก่างจะทําอะไรก็ได้ในทางที่จะบูชาพระพุทธองค์นี่นี่เป็นประสบการณ์ที่ประทับใจมากใช่ใชแล้วแล้วก็ในรูปแบบการบูชาที่ผู้เช้ายกย่องมากที่สุดนะก็คือการปฏิบัติบูชาเพราะบางคนก็จะสวดมนต์บ้างบางคนก็จะเอ่อไปเอาของอะไรไปบูชาเอาผ้าไปพันอะไรต่างๆนะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะต้องมารวมกันอยู่ที่การปฏิบัติของเรานะซึ่งแน่นอนกายวาจาใจเราต้องคุมอยู่ตลอด เราใช้ได้นีิส่งนี้มากจริงๆค่ะทั้งนี้และทั้งนั้นก่อนที่จะไปเนี่ยสมมุติเกิดมีการใกล้จะถึงการเดินทางซึ่งอยู่ระหว่างวันที่1ถึงวันที่11เดือนมีนาคมจริงๆท่า น, นอาจจะกลับเรียนถามท่านว่าท่านคิดว่าผู้ที่จะเดินทางไปคณะท่านเนี่ยจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรเพราะว่าต้องกลับเรียนท่านฟังนะคะว่าทีฉันเองจริงๆก็มีกิจที่จะต้องเดินทางไปในเดือนเนี้ย เดือนมกราคมจะมีเพื่อนที่ร่วมเรียนหนังสือเนี่ยเขาไปบวชกันหลายคนมากทีนี้ก็ได้ขอท่านอาจารย์พิบูลบอก้ขอก่อนได้ไหมคู่มือที่ท่านจะจัดในกิจกรรมเดือนมีนาบเอินท่านก็ยังทำไม่เสร็จนะคะดังนั้นก็อยากจะให้คนที่ไปทั้งหลายเนี่ยได้ความรู้อย่างตรงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าตัวเอง เ, เคยไปก็ได้รู้ว่าเราได้สวมดมนต์นะคะแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะ ถ้าไม่ได้เตรียมตัวไปล่วงหน้าเนี่ยไปกันคนเยอะๆเราก็จะพลาดข้อมูลบ้างที่ผู้มาบรรยายท่านอาจจะไม่สามารถทำให้เราทุกคนเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ทั่วถึงพร้อมๆกันใช่ในเรื่องของพระสูต์ต่างๆจริงๆแล้วมีอยู่ในพระไตรปะ ด, ดกอยู่อยู่อยู่ยแล้วแต่ผู้ชอบก็ได้ตรัสไว้ด้วยว่าตรงนี้พุที่นีตรงนี้พุทินีในทนนี่มันอาจจะอยู่แยกๆกันบ้างแต่มาพยายามที่จะรวบรวมตรงนี้มาแล้วก็ ทำเป็น2ภาษานี่คือที่สำคัญด้วยโดยเราก็ไม่ได้แปลเองเราก็เอาที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแปลไว้แล้วนะเอาตรงนี้มารวบรวมตรงนี้ทําเป็นซ้ายขวานะจัดหน้าให้ดีอย่างนี้ในลักษณะนีนน้ซึ่งซึ่งหลังจากกลับมาแล้วก็จะรวบรวมภาพอะไรต่างๆแล้วก็ทําเป็นคู่มือไว้ไ ว, ไว้ดีอย่างดีเลยตามเหมือนกับเยบุ๊กอย่างนี้นะจากพวกที่ไปด้วยกันทั้งหมดแล้วก็เก็บไว้เผื่อว่าใครต้องการก็เอาเล่มนี้ไว้สําหรับเป็น reference เป็นอันที่จะไปทำต่อได้ก็ไม่มีปัญหาค่ะเรนได้ทราบว่ามีผู้ที่สนใจจะไปจำนวนเกือบจะเต็มอยู่แล้วใช่ไหมคะเอ่อตอนนี้เราก็เผื่อที่ไว้ร้อยยี่สิบที่ซึ่งมันก็ใกล้เคียงละจำนวนค่ะเพราะว่าค่ะแต่จริงจริงก็จำนวนนี้ก็เพิ่มได้เรื่อยๆเพราะว่ามันก็อยู่ที่บริษัททัวร์เขาที่เขาจัดให้เราก็ไปบอกเขาให้เพิ่มได้อ๋อค่ะค่ะนะคะงั้นก็ อแล้วอันหนึ่งที่ต้องชี้แจงให้ทราบด้วยก็คือว่าการไปเนี่ยมันมีอยู่หลายรูปแบบนะคือบางคนก็จะไปแบบ VIP มากนะก็จะเป็นราคาก็หกเจ็ดหมื่นไปนู่นเลยนะหรือบางคนก็อาจจะถูกมากๆกนะก็สองสามหมื่นอะไรอย่างนี้ก็มีแต่ของเรานี่ก็กลางกลางๆงก็อยู่ตรงแรมกงการที่ว่าคือก็คือราคาสี่0 0นบาทอ๋อค่ะแล้วก็คือบริษัททัวร์เขาจัดมาให้อ่ะนะที่ที่เป็นเมืองใหญ่ก็จะพักโรงแรมละ แต่ที่ที่เป็นเมืองเล็กในโรงแรมมันไม่ดีก็พักวัดจะสะดวกกว่าก็เป็นลักษณ ะ, ะนี้สำหรับคนมีมีคนไทยไปเยอะนะคะท่านคะที่ไปมาแล้วน่ะแต่สำหรับท่านที่ยังไม่เคยไปดี๋ยนก็ขอพูดให้สบายใจนิดหนึ่งว่าดีกว่าสมัยก่อนเยอะสะดวกสบายขึ้นมากมนะคะอย่างกับที่ลุมพินีก็ทำให้สะดวกขึ้นเยอะ อ, อย่างกับที่สังเวชนีอื่นๆโดยเฉพาะที่พุทธคยา คนไทยก็ไปทําบุญเยอะนะคะมีวัดไทยที่สปายะมากรองรับอยู่ที่นั่นก็ที่อื่นๆ อ, อีกที่ว่ากลัวเข้าห้องน้ําไม่สะดวกเนี่ยคนไทยก็ไปทํเอาไว้รองรับผู้สวงบุญชาวไทยด้วยเหมือนกันการนุมโมทนาของผู้ทําด้วยนะคะเพราะว่าแหมทําได้คิดว่าอยู่โรงแรมใหญ่ๆเลยไม่ได้คิดว่าอยู่อินเดียเลยค่ะท่านคะใช่เรื่องการดําเนวยความสะดวกมันก็กกมีมากขึ้นแต่ที่นี้เรื่องการไปเนี่ย ตัวจะมาเองกับหลวงพ่อเองก็คิดว่าเออพวกลูกศิษย์ลูกหาที่มีความต้องการในการปฏิบัตินะเคยผ่านคอร์สหลีกเล่นปฏิบัติมาเออควรจะรวบรวมกลุ่มคนพวกเนี้ไปกันนะ <c oughs> เพราะว่าทุกคนจะมีเป้าหมายเดียวกันเลยจะได้ไม่ต้องพูดยากละเข้าใจมองกันก็รู้แล้วว่าต้องการอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าลูกศิษย์ของวัดป่าดอนหายโศกที่เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมซึ่งมีอยู่เป็นประจําทุกเดือนนั้น มีเป็นจำนวนมากจริงๆแล้วก็ล้วนแล้วจะเป็นนักปฏิบัติทั้งนั้นค่ะท่านที่สนใจนะค ะ, ะติดต่อไปที่เพีวธรมะดอทม p u r e d h a m m a c o m แล้วขอความกรุณาว่าอาจจะเร่งนิดนึงในการตัดสินใจคือภายในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เท่านั้ น, นค่ะใช่ก็วันนี้เลยคิดว่าเราพูดแต่เรื่องอินเดียเรื่องเดียวก็มีประเด็นหนึ่ง ในการสรุปจดไว้ที่นี่ก็คือว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงเรื่องของสังเวชนียสถานสี่คือตอนนั้นปรารบเหตุที่ท่านพระอนุนเนี่ยถามว่าเอ๊ะ hey, แล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยพวกหมู่ภิกษุที่น่าจเจริญใจต่างๆที่พอเขาออกพรรษาแล้วหรือเขาไปที่ไหนมาเขาก็จะกลับมาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะไม่ได้พบเจอภิกษุผู้น่าจเจริญใจเหล่านั้ น, นท่านพระอนุนถามอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเอ้าสังเวชนียสถานสีที่นี้แหละเป็นที่ที่ คนผู้มีศรัทธาที่มาถึงที่นี่แล้วจะเกิดความสังเวชเพราะฉะนั้นเราไปถึงแล้วเนี่ยถ้าเรามีศรัทธานะถ้าเรามีศรัทธาเราจะเกิดความสังเวชพอเรามีความสังเวชเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตรงนี้จะพาเราไปสวรรค์ได้จะพาเราไปสู่ที่ที่ดีได้ <คะ S 1> แล้วตรงนี้พุทธเาตรัสเนี่ยปรารบเหตุที่ท่านพระนอานนท์พูดถึงบุคคลที่น่าเจริญใจน่าจเจริญใจนะแสดงว่าคนที่มีศรัทธาแล้วเห็นความสังเวช เราเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าจเจริญใจนะที่ควรจะได้ไปพบควรจะได้ไปเห็นแต่คือไม่ได้เห็นสถานที่นะแต่เห็นบุคคลที่มีความศรัทธามีความสังเวชแล้วมันน่าจเจริญใจค่ ะ, ะแล้วที่ฉันแถมให้อีกอย่างนะคะคือมีบางคนเนี่ยเวลายอยู่ประเทศไทยเป็นคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องของพระพุทธศาสนามาก่อนบางคนเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตนะครับมาเล่าให้ทีฉันฟังว่าเดี๋ยวนี้ไปทุกปีก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่เคยคิดจะไปด้วยซ้ำแล้วก็ที่ไปก็ไม่ได้ไปด้วยศรัทธา คือไปด้วยเครียดเบื่อเมืองไทยมากก็เลยไปแต่กลับมาแล้วบอกว่าได้พบว่าต้องเร่งกลับมาปฏิบัติธรรมอืมนะคะแล้วก็ศรัทธาเป็นอย่างยิ่งพยายามมาเอาคนที่บริษัทใช้เงินของบริษัทเองนะคะส่งไปรุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่า แ, แ, แล้วตัวเองก็ไปทุกครั้งแล้วก็ชีวิตก็รู้สึกว่าเขาพึงพอใจในชีวิตหลังจากนั้นมากขึ้นค่ะใช่ค่ะนะค ะ, ะ, คะวันนี้ก็กราบในวสะการขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งเลยคะ่ะใช่ค่ะ ท่านฟั่งที่รครูคาเด น, นก็ทําหน้าที่ในฐานะที่ก็ได้รบกวนท่านไปบูนมาเปิดทําที่ถูกปิดด้วยพุท้ทวัจนะจนกระทั่งหลายท่านเนี่ยก็เป็นแฟนรายการนะคะแล้วก็เป็นลูกศิษย์โดยผ่านทางอากาศถ้าจะไม่บอกผู้ที่รู้สึกตัวว่าเป็นลูกศิษย์ผ่านทางอากาศว่าจะมีกิจกรรมเช่นนี้ก็ดูจา ก, กระไรกละไ ร, รยอยู่จึงขออนุญาตพระอาจารย์นะคะที่จะกลับเรียนถามท่านเผื่อแผ่ไปให้ท่านทั้งหลาย ท่า น, นเอไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานจัดทัวร์นี้นะคะแต่มีความรู้สึกว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ขอใหอ้กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านทั้งหลายไม่ว่าจะได้ไปอินเดียหรือไม่ไปอินเดียในทางที่เป็นการปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธบูชานั้น mm hmm. เป็นกิจกรรมที่ทำให้ท่านได้รับความเจริญความมีสุขมากกว่ามีความทุกข์ในปีใหม่2557นี้กันทั่วหน้านะคะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งผู้ทั่วสวัสดีแลวพบกันพรุ่งนี้ค่ะ